เราฆ่ามันได้หมดทั้งกลุ่มหรือเปล่านี่นิรอดไปได้ประมาณสี่ห้าคนครับน่าเสียดายเหลือเกินคุณหญิงตื่นเต้นไปหน่อยเลยเก็บเรียบหมดความจริงเรามีโอกาสจะจับเป็นได้อย่างน้อยก็สักคนหนึ่งถ้าเราจับตัวมันได้เป็นเป็นอาจจะมีประโยชน์ขึ้นมาบ้างนี่คุณคิดว่าคุณจะส่งภาษาเจรจากไอ้ผีนรกพวกนี้มันรู้เรื่องหรออย่างน้อยก็ต้องพยายามดูแลครับ มันอาจพูดภาษาชาวเขาขแขนงใดขแขนงหนึ่งได้บ้างไม่ทันจะขาดเสียงของระพินทั้งสองก็ต้องหันขวับไปทางพุ่มไม้เล็กๆเบื้องหลังโดยเร็วเพราะได้ยินเสียงไหวดิ้นคลุกคลักและเสียงร้องอึกอักในลําคอชายยังกระชากปืนสั้นออกมาโดยเร็วระพินก็ย่องเข้าไปอย่างระมัดระวังเตรียมพร้อมใช้รากล้องไรเฟิลเขี่์แวกพุ่มไม้ที่เห็นไหวๆอยู่นั้น และทั้งสองก็อุทานออกมาพร้อมกันหลังพุ่มไม้นั้นกระชุมไม้ไผ่อีกลูกหนึ่งเคลื่อนไหวคลุกคลับอยู่ไปมาสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งถูกขังอยู่ในนั้นรพินเพนพรวดเดียวก็ไปถึงแล้วก็เห็นว่ามันเป็นชายเผาตองเหลืองอีกคนหนึ่งถูกมัดมือมัดเท้าและผูกปากไว้ลักษณะไม่ผิดอะไรกับหมูที่กาลังเตรียมไปสู่โรงฆ่าเห็นแต่ลูกตาที่เลือกลานกอกกลิ้งอยู่ไปมา และเสียงอึกอักในลําคอที่ไม่สามารถจะดังออกมาได้มากนะักระหว่างที่ชายยันหันไปตะโกนเรียกเชิฐาพรานใหญ่ก็ลากระชุใบนั้นออกมาในที่โล่งโดยเร็วชักมีดออกตัดหวายที่รัดปากกระชุออกแล้วลากขาคนป่าผู้เคราะห์ร้ายออกมานอกกระชุเป็นเวลาเดียวกับที่เชิฐาและดารินผู้บาดนี้พอจะระ ง, งับความรู้สึกลงได้แล้ววิ่งเข้ามาถึงทุกคนสามารถอ่านเหตุการณ์ออกได้ในทันทีที่เห็น อยู่ตรงไหนนี่เมื่อกี้ทําไมเราถึงไม่เห็นเชิดหารองขึ้นมันเอาแอบไว้หลังพุ่มไม้นี่ฉันกระรพินเห็นพุ่มไม้ไหวๆก็เลยแหวกดูชัยันตอบโดยเร็ ว, รวคุณพระช่วยนี่เรายังมาทันพอที่จะช่วยชีวิตได้คนหนึ่งเหรอเนี่ยดารินอุทานเสียงลั่นจ้องมองดูร่างที่มีแต่ผ้าเตียวพันกายอยู่ตรงกลางนอนกลิ้งตาปริบ ป, ปรปิอยู่กับพื้นด้วยความสังเว่ ระพินตัดเผาวันที่ชายมัดมือเท้าและปากออกทันทีพอหลุดเป็นอิสระเจ้าตองเหลืองก็ส่งเสียงร้องก้องอะไรออกมาคำหนึง่งลุกขึ้นแล่นทลาตรงไปยงังซากของหญิงสาวเผ่าเดียวกันซึ่งบัด น, นี้กลายเป็นศพอันหน้าทุเรศนอนอยู่กลางดินช้อนศีรษะที่มีตาอันเหลือกลานขึ้นมากอดไว้แนบก็ะอกคร่ำครวญออกมาเป็นภาษาที่ทุกคนฟังไม่ออกแต่รู้สึกสะเทือนลึกเข้าไปถึงขั้วหัวใจ นั่นคงจะเป็นลูกหรือเมียของมันล่ะชยันพึงพำมองดูภาพชายชาวดงผู้นั้นอย่างสลดใจมีทางจะส่งภาษากับมันรู้เรื่องไหมหัวหน้าคณะหันมากระซิบกับจอมพรานระพินยกไหลขึ้นเช็ดเหงื่อที่เกาะเต็มใบหน้าไม่กล่าวอะไรทั้งสิน้นเดินตรงไปยังเจ้าตองเหลืองผู้นั้นคณะนายจ้างตามมาด้วย ต่างห็นพรานใหญ่พยายามส่งภาษากับเจ้านั่นอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็ดูจะเข้าใจกันได้ด้วยภาษาขมุกคำตอบของเจ้าตองเหลืองห้วนห้วนสั้นๆกลัวไปกับอาการครํำ ค, ครวนร้องไห้อย่างน่าเวทนาบางครั้งก็ส่งเสียงเอ็ดปารัวเร็วหรือทำมือทำไม้ประกอบด้วยคณะพะจนภัยชาวพระนครทั้งสามไม่มีทางที่จะเข้าใจได้นอกจากรอฟังจากระพิน ทุกคนจ้องมองดูเจ้านั่นอย่างสุดจะอเนตอนาใจจนพูดอะไรไม่ออกสภาพของตัวมันเองที่แลดูรุง ร, งรังกระรุ่งกระริงอย่างมนุษย์ถ้ำสมัยต้นประวัติศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่น่าสังเวชใจอยู่แล้วยิ่งมาเห็นอาการเศร้าโศกเสียใจที่สําแดงออกอย่างซื่อซื่อต่อหน้าศพที่ควรจะเป็นลูกหรือเมียมันเช่นนี้ทุกคนมีความรู้สึกที่ไม่อาจกล่าวถูกครูใหญ่ต่อมา จอมพรานก็หันมาทางนายจ้างพวกตองเหลืองกลุ่มเดียวกาที่เราพบรังนอนเมื่อตอนสายนี่เองล่ละครับในกลุ่มอยู่กันส5บห้าคนตอนดึกของคืนวานถูกสสงเขียวบุกเข้าล่าถูกฆ่าตายไปสามคนนอกนั้นแตกหนีกระเจิงเอาตัวรอดไปคนละทางตัวมันกับลูกสาวหนีแยกไปทางหนึ่งก็เพิ่งจะมาถูกจับได้พร้อมกันเมื่อเช้านี่เองสสงเขียวเอามันกับลูกสาวใส่กระชุ หามาหยุดพักที่นี่แล้วฆ่าลูกสาวมันก่อนสางเขียวจะฆ่าผู้หญิงเอาหัวใจกินก่อนเสมอถ้าในกลุ่มเหยื่อของมันมีผู้หญิงอยู่ด้วยดารินอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างลืมตัวเฉถาจ้องไปที่ศพอ๋อนั่นลูกสาวของมันเหรอครับท่านใดนั่นเองเจ้าตองเหลืองก็พรวดพราดขึ้นยืนคว้าหอกของสางเขียวที่หล่นอยู่ขึ้นมา แล่นปราตรงเข้าไปยังซากของหัวหน้ามนุษย์ผีดิบกลุ่มนั้นที่ถูกช้ยยันยิงคว่ำอยู่กระโดดเข้าเหยียบหัวย่วงหอกแทงกระนำลงไปบนศพด้วยความเครียดแค้นพยาบาทโดยไม่นับพร้อมทั้งคำรามกล้องอย่างบ้าคลัง่งระพินเข้าไปส่งภาษาอยู่พักหนึ่งมันจึงซุดตัวลงไปนั่งซุขหน้ากัเขา่ากิริยาเสื่องซึมลงบอกมันว่าให้มันรวมอยู่กับเราพลางๆก่อน จนกว่าจะพ้นแดนอันตรายไม่งั้นมันจะถูกจับถูกฆ่ากินซะอีกเชษฐาบอกผมชวนมาแล้วล่ะครับแต่มันจะขอแยกไปตามทางของมันมันบอกว่ามันจะรักษาตัวเองตามปกติแล้วพวกตองเหลืองนี่มันจะไม่ยอมอยู่กับใครถ้าไม่ใช่เผาเดียวกับมันขืนปล่อยมันไปก็เท่ากับให้มันไปเป็นเหยื่อไอ้พวกนั้นอีกเท่านั้นเองดารินร้องภายหลังใครครวนอยู่ครู่ เชษาก็พยักหน้าการพินบอกเสียงต่ําๆว่าอ่ะถ้างั้นก็ปล่อยมันไปตามอธัธยาศัยเถอะมันก็คงเอาตัวรอดได้ตามประษาของมันล่ะพวกนี้ก็เหมือนสัตว์ป่านั่นแหละวิธีที่ดีที่สุดคือปล่อยมันให้เข้าป่าไปตามเรื่องเราเพียงแต่ช่วยชีวิตมันไว้ก็ถือว่าดีแล้วแต่พี่ใหญ่คะน้องสาวพยายามทักท้วงแต่พี่ชายผู้เข้าใจอะไรได้เหนือกว่าหันไปตบไหล่ ไม่มีประโยชน์หรอกน้อยพี่บอกแล้วไงว่าการที่เราจะทําบุญกับมันก็คือการปล่อยให้มันเข้าป่าไปหน้าที่ของเราเพียงแต่ช่วยชีวิตไว้เท่านั้นยิงอยู่ถ้าเราเอามันไว้ด้วยมันอาจปลอดภัยขึ้นแต่จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อมันไม่ต้องการเช่นนั้นเท่ากับฝืนใจริดรอนอิสรภาพของมันซะเปล่าเปลอ่ะตกลงปล่อยมันไปมันก็คงจะเป็นห่วงพวกพ้องของมันที่กระจัดกระจายอยู่ละ ช้ยันออกความเห็นมาอีกคนรพินหันไปส่งภาษาอีกครั้งเจ้าคนป่าผู้น่าสงสารคว้าหอกที่ยึดมาได้เป็นอาวุธคู่มือลุกขึ้นยืนจ้องมองมายังคณะทุกคนไม่มีคำขอบใจที่เอ่ยเป็นคำพูดไม่มีอาการแสดงออกใดๆนอกจากแววตาอันเป็นภาษาสากลโลกไม่ว่าจะมนุษย์หรือสัตว์ บอกให้ทราบชัดถึงความรู้สึกภายในเต็มเปี่ยมและทุกคนก็เข้าใจแววตาคู่นั้นได้ดีพอโดยไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำแล้วเจ้าคนเถื่อนก็ออกแล่นเข้าป่าหายแวบไปในชั่วพริบตาเดียวยังปราศจากร่องรอยเหมือนเงาผีพอผีตองเหลืองลับตาก็มีเสียงกูให้สัญญาณดังขึ้นจากพงรกอีกด้านหนึ่ง รพินจำได้ทันทีว่าเป็นเสียงของบุญคําเสียงกู่ตอบออกไปพักเดียวก็มีเสียงบุกพงไม้สวบสาดใล่เข้ามาอย่างรวดเร็วและพรานเท่าแห่งเขาอึมครึมกับแง่สาก็ผลุออกมาพร้อมกระไรเฟิรนในมือที่ถือเตรียมพร้อมบุญคําร้องถามและล่ํา ล, ลักเข้ามาก่อนเห็นพรวดเข้ามาแต่พอมองเห็นภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏจุดตรงบริเวณนั้นก็เดาได้โดยตลอดปราดเข้าไปสำรวจดูโดยเร็ว พวกเราทางโน้นร้อนใจมากครับได้ยินเสียงปืนหลายนัดแงส า, ายบอกบุญคำทนอยู่ไม่ได้ก็ชวนผมตามออกมาพวกเจ้านายปลอดภัยดีหรอครับปลอดภัยขอบใจแง่ส า, ายกับบุญคำมากนะที่อุตส่าห์ตามมาดารินตอบพบวีแววอะไรบ้างหรือเปล่าสางเขียวประมาณสี่ห้าคนหนีรอดไปได้เชิดถ า, ถามไม่พบเลยในายใหญ่ มันคงเตลิดไปทางตรงข้ามที่แง่ทรายและบุญคำบุกตามมาเสียงบุญคำสมบุดขม่มถมเถและกรากเข้าไปพูดจาซักถามพรานใหญ่แต่แง่ทรายมองดูสภาพเหล่านั้นด้วยอาการสงบกลับที่พักกันเถอะครับทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างนี้ละครับระพินหันมากล่าวแก่คณะนายจ้างทั้งหกคนพละออกจากที่นั่นโดยเร็วตับทางบ่ายหน้าเพื่อจะมุ่งกลับที่พักชั่วคราว ซึ่งขณะนี้เกิดยันเสยและขยินเฝ้ากันอยู่ตามลำพังแต่แล้วพอเดินลงสู่ทางลาดชั้นตอนหนึ่งในระหว่างซุ้มไผ่ดกนั่นเองเสียงอะไรชนิดหนึ่งก็วีดหวือแหวดอากาศมาได้ยินอย่างถนัด ก, ก่อนที่ทุกคนจะไหวตัวทันธนูดอกหนึ่งก็ปลิวเฉียดศีสะของชา ย, ยันผู้เดินอยู่ทางด้านขวาของระพินเสียบฉึกเข้าไปในลาต้นมะข่าที่ช ย, ยันเดินผ่าน ระดับสูงขึ้นไปประมาณศอกเศษเห็นหางขนนกสีดำสั่นฟิวลบเร็วชายันผู้เห็นลูกธนู ก, ก่อนคนอื่นตะโกนสุดเสียงกระโจนพวดเข้าบังอยู่หลังต้นไม้อีกด้านหนึ่งทั้งกลุ่มแตกกระจายออกพุ่งเข้าหาที่กำบงังพร้อมกับสอดสายค้นหาที่มาเงียบสงัดปราศจากว่แววอะไรทั้งสิ้นประหนึ่งว่าธนูดอกนั้นจะถูกยิงมาจากมือปีศาจ ระวังให้ดีนะไม่รู้ว่ามันจะมีสักกี่คนหัวหน้าคณะผู้กำบังอยู่ที่โคนซุ้มไผ่เคียงข้างน้องสาวร้องเตือนทุกคนมาประทับไรเฟิลพร้อมกราสายตาขึ้นไปตามคาคบสูงอันเห็นเป็นเงาตะคุ่มคลุมเครืออยู่ทั่วไปยากที่จะสังเกตได้เพราะความทึบพรานใหญ่มอบอยู่ในระหว่างรากไม้ทิศทางของเขามองเห็นลูกธนูดอกที่เฉียดชัยยันไปปักลำต้นมะข่าอย่างถนัด ในระดับการปักของมันเขาก็สามารถคำนวณได้ทันทีว่าต้นแรงควรจะมาจากด้านไหนแต่ก็ไม่สามารถจะเห็นตัวได้เพราะกิ่งไม้อันหนาแน่อ้อมกอไผ่ที่หลบอยู่นั่นไปทางขวามือหน่อยครับคุณชายเขาร้องบอกเชิดถามเาบาๆพร้อมกับโบกมือเป็นเครื่องหมายสังเกตที่พุ่มทึบระดับเหนือก้อนหินนั่นให้ดีผมจะล่อให้มันยิงครับเชดถาโบกมือตอบ แล้ลากปืนอ้อมไปทางด้านขวาของกอไผ่ที่หลบกำบังอยู่ดารินคืบตามมาติดๆชักปืนสั้นขึ้นมาถือไวเพราะลูกซอง FN เของหล่อนไม่มีกระสุนสำรองติดมาด้วยมีเพียงห้านัดที่ติดปืนอยู่แล้วก็ยิงเกลี้ยงไปลชะชยันผู้แอบอยู่หลังต้นมะข่าได้ยินเสียงของพรานใหญ่ก็พลาดปืน โ, โล่เตรียมพร้อมมาอีกทางหนึง่งจังหวะนี้เอง แง่สายกระบุญคําซึ่งแยกกันหลบอยู่หลังจอมปลวกกอกคานกระดุกลอดซุ้มไม้ไปคนละทางแล้วพินกว่าสายตาไปรอบๆตูวควากิ่งไม้ผูสั้นๆที่หักล่นอยู่ใกล้ๆขึ้นมาถอดหมวกออกครอบลงบนกิ่งไม้ท่อนนั้นแล้วค่อยๆชูขึ้นให้พ้นระดับรากไม้ใหญ่ที่กำบังอยู่ทําเคลื่อนไหวผุดๆผู๋ๆให้มองดูเหมือนลักษณะคนกําลังคลาน ชั่วไม่ถึงอึดใจนั่นเองธนูอีกดอกนึงก็ครางเฟี้ยวมาแล้วกระทบหมวกของเขาอย่างแม่นยำกระเด็นหลุดออกไปจากปลายไม้ที่ถือล่ออยู่ลูกธนูพาหมวกตามแรงพุ่งของมันนำไปเสียบอยู่กับผนังรากไม้ด้านหลังของเขาเสียงปืนจากคณะนายจ้างทั้งสามก็ประดังกันระเบิดขึ้นเกือบจะเป็นเวลาเดียวกันไรเฟิลขนาดหนักจากเชฐิฐาและชัยันผสมกับปืนสั้นของดาริน ทุกคนหมายยิงไปยังตำแหน่งซึ่งสังเกตเห็นทิศทางธนูพุ่งออกมาสิ้นกังวานเสียงฉุดนั้นคำตอบก็คือความเงียบอันเต็มไปได้วยปริศนาตามเคยไม่มีใครเดาถูกว่าถูกเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ภู้ไม้บริเวณนั้นมันเป็นกอใหญ่เกินไประหว่างที่เชษฐาและชัยันหาทางคำนวณเพื่อที่จะยิงสุนในนัตต่อไป ดารินก็ปล่อยกระสุนจุดสมห้าเจ็ดของหล่อนออกไปเป็นจังหวะโดยหมายเดาสุม่มเข้าไปยังตำแหน่งต่างๆของยอดไม้ส่วนนั้นซึ่งคะเนวว่าแงเขียวควรแอบซุ่มอยู่หล่อนยิงจนครบหนัดผลก็ปรากฏอยู่ตามเดิมไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงของการเคลื่อนไหวกระตกกระตากเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงอีกพรานใหญ่ร้องห้ามมากระโดดออกจากที่ซ่อน วิ่งเข้ามารวมกลุ่มกระชา ย, ยันเชื่อทาก็ทะลันปราดตานติดเข้ามาด้วยธนูปลิวออกมาจากยอดไม้ตรงนั้นแน่ๆครับแต่มันเป็นพุ่มใหญ่เหลือเกินราชสกุลหนุ่มกระซิบกัดริมฝีปากแน่นตาจับเปล่งไปยังบริเวณเป้าหมายเอางี้หาทางอ้อมเข้าไปอีกด้านดีกว่าชายันว่าสอดสายตาค้นหาลู่ทางใจเย็นๆไว้ครับ เงาทรายกบุนคำอ้อมไปทางด้านนู้นแล้วไม่ทันจะขาดเสียงของจอมพลานไรเฟิลก็แผดเสียงกึกกร้องขึ้นนับหนึ่งบนป่าโตกด้านซ้ายที่ผ่านกันมาแล้วพร้อมๆกับเสียงกระสุนระเบิดนับนั้นทุกคนได้ยินเสียงร้องแหลมฟังไม่เป็นภาษาแล้วก็เสียงหล่นและกิ่งสวบไม้แล้วก็เสียงหล่ น, ล ะ, ล, ล, นละกิ่งไม้สวบสาบลงมา กระทบพื้นดินดังพลักเวลาติดต่อกันก็ตูงขึ้นอีกนัดตามด้วยเสียงหล่นมาอีกพลักนายเรียบร้อยอยู่หมดแล้วสองตัวเสียงตะโกนบอกมาเป็นเสียงของบุญคำระวังนะมันอาจมีอยู่อีกบนต้นไม้ต้นอื่นชายันป้องปากตะโกนเตือนไปแต่ก็ได้ยินเสียงหัวเราะร่าตอบมาว่า ไม่มีแล้วมีอยู่แค่สองตัวเท่านั้นละนายผมกับแงไทรายจะลากมันมาให้ดูเสียเวลาหนักเปล่าๆบอกให้สองคนนั้นรีบกลับมาเถอะไม่ต้องลากมันมาด้วยหรอกเชือดถามบอกกราพินพรานใหญ่ร้องบอกความไปครู่เดียวร่างของตาพรานเท่ากับคนใช้ชาวโดงก็ผลู่กลับมาและทุกคนก็ลืมตากว้างเมื่อเห็นในมือของบุญคา ิวเอาสีสะของแสงเขียวที่ถูกตัดขาดเพียงคอเลือดจดๆยังไหลเรี่ยเป็นทางชูเข้ามาด้วยไอ้งงาสายตามันดีแท้บุญคำเน่ยยังไม่ทันจะมองเห็นเลยมันสอยลงมาทีละตัวยังกระสอยข้างบุญคำบ้าจริงนั่นไม่ตัดหัวมันหิ้วมาทำไมอะดารินร้องเสียงสัน่นพรานเท่าหัวรอชอบอกชอบใจ ชูสีสันทั้งสองที่แกรวบเส้นผมกระเซิงไว้ในมือข้างเดียวขึ้นดูเหมือนจะเป็นหัวสัตว์ป่าธรรมดาที่แกล่ามาเป็นอาหารบุญคำก็จะแกะกระโหลกเอาสมองมันมากินแกล้มเหล้าคงเด็ดกว่าสมองข้างดารินเบือนนะ่อหน้าไม่มีใครสนใจกับความห่ามพิเรนผิดมนุษย์มนาของแกอีกแง่สายหิ้วกระบอกลูกธนู และคันที่ยึดได้จากสางเขียวทั้งสองมาด้วยและปินหันรับไปดูแลสั่งให้ทําลายทิ้งซะทั้งดอกและคันป้องกันไม่ให้พวกมนุษย์ผีดิบเก็บไปใช้ประโยชน์ได้อีกตัวคันทําด้วยไม้ไผ่เหลาหยับหยาบขึงด้วยริ้วหนังน้ำหนักแรงเหนียวไม่มากมายอะไรนักถ้าจะเทียบกับธนูที่ใช้ยิงระเบิดของแง่ายตัวดอกธนูเสียมปลายแหลมธรรมดาไม่ได้ติดหัวโลหะ เพียงแต่รนไฟไว้ให้แกร่งอำ น, นาจสำคัญมันอยู่ที่ยาพิษที่จุ่มไว้มากกว่าที่จะใช้อานาจทะลุทะลวงเป็นเครื่องสังหารไม่กี่นาทีต่อจากนั้นก็พากันรุดกลับมาถึงแคมป์พักชั่วคราวเกิดจันเสยและขยินถือปืนเตรียมพร้อมกระสับกระส่ายคอยอยู่คนเหล่านั้นมีสีหน้าดีขึ้นเมื่อเห็นทั้ง6กลับมาถึงครบหน้า โดยไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆบุญคำไม่ได้แกะกระโหลกของสางเขียวเพื่อกินแกล้มกับเหล้าตามที่เย้านายหญิงไว้แต่เสียบหัวทั้งสองไว้บนปลายไม้ปักไว้บนหาดทรายบนกรวดริมธาร น, น้าไหลให้มันเห็นซะมั่งว่ามันไม่ได้ล่าคนอื่นได้อย่างเดียวมันก็ถูกล่าได้เหมือนกันเสียบหัวไว้ทิ้งให้มันดูที่นี่แหละมันจะได้รู้จักเราขึ้น ไม่มีใครคัดค้านวิธีของแก่หรือมิฉะนั้นก็ไม่อยากจะสนใจในความวิถีฐานบรรยากาศมันเต็มไปได้วยความเครียดหนักอาหารกลางวันมือนั้นผ่านลำคอของคณะทุกคนไปอย่างฟืดเต็มทนโดยเฉพาะหมอดารินหล่อนแทบจะกลืนไม่ลงแต่ก็สู้อุตสากระเดือกเพื่อเอากำลังไว้ความสยองใจต่อเหตุการณ์ทำให้หญิงสาวตกอยู่ในอาการซึมไปหล่อนไม่ใช่คนกล้าวแข็งอะไรนัก ชา ย, ยันเองก็เคร่งครึมคงมีแต่เชื้าเท่านั้นที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปรึกษาหารืออยู่กับพรานใหญ่เงียบๆบุญคําทําถูกแล้วต้องตัดหัวมันเสียประจานไว้พวกมันเห็นอย่างนี้แหละมันจะได้เข็ดไม่กล้าเข้ามาข้องแวะกับเราอีกหัวหน้าคณะพูดขณะที่มองไปยังสองสีรษะที่เสียบไม้ปักไว้ริมทาน้ําห่างลงไปเบื้องหล่างทุกคนพักกินอาหารกันอย่างไม่เป็นสุข พาดเปินอยู่กับตักไม่ห่างตัวและใช้สายตากราดระแวดระวังรอบด้านอยู่เสมออาศัยที่บริเวณนั้นเป็นที่โล่งช่วยสังเกตเห็นอะไรได้โดยง่ายชัยันหัวรอกขึ้นเสียงแปรๆแล้วว่าก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นถ้าไม่เข็ดไปอย่างแกว่าก็คงวางแผนรับมือกับเราแบบศึกใหญ่เลยซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังก็น่าชมขนาดเมื่อกี้นี่บ่อบ พวกมันมีเพียงไม่กี่คนพวกเราสี่คนก็เกือบถึงเลือดถึงชีวิตไปล้วแ่กระใจกับกราพินใจเย็นมากนะยังอุตสาหคิดที่จะจับมันเป็นๆให้ได้สําหรับชั้นกันน้อยนะ่ะมีความคิดตรงกันอย่างเดียวคือต้องการฆ่ามันให้หมดไปเร็วที่สุดแบบเดียวกับฆา ง, งูพิษนแม่ได้พิษสมัยที่จะเอามันไว้เพื่ออะไรทั้งสิน้นขนาดนึกวา่าหนีไปหมดแล้วนะมันยังอุตสาหขึ้นต้นไม้ดักยิงเรา และคนแรกที่เกือบจะเป็นเป้าธนูมันก็คือฉันคำพูดของชัยยันทำให้เชษฐาและพรานใหญ่นิ่งไปทุกคนกำลังใคร้ครวญถึงอนาคตข้างหน้ายัาง อ, อึดอัดลำบากใจยิ่งการประทะที่ผ่านมาเมื่อครู่บอกให้ทราบถึงอุปนิสัยใจคอของเจ้าพวกผีดิบสางเขียวได้เป็นอย่างดีมันไม่ตื่นระหนกตกใจหรือกลัวอานาจของปืนเท่าไรนักซ้ายังเป็นเผ่าที่ดูร้ายบ้าเลือด พอๆกับความกล้าหาญสังเกตเห็นได้จากทั้งๆ ท, ท, ที่เพื่อนถูกยิงคว่ำลงไปต่อหน้าต่อตาเจ้าจพวกที่เหลืออยู่ก็ยังบังอาจพุ่งสวนเข้าใส่จนถึงขั้นตะลุมบอลประชิด ต, ตุกการประทะที่แล้วมาโชคดีที่พวกมันมีจํานวนอยู่ไม่มากนักจึงตกเป็นเหยื่อลูกปืนหมดแต่ถ้าหากมันมีจํานวนมากกว่านั้นเพียงเท่าเดียวระพินเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝ่ายเขาจะมีใครเสียชีวิตลงบ้าง การดักซุ่มลอบยิงด้วยธนูก็เป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งที่หน้าหนักใจที่สุดสมมุติว่ามันยิงออกมาพร้อมกันทุกด้านเป็นจำนวน1ิสิ บ, สบหรือร้อ ย, ร, อยร้อยดอกขึ้นไปโดยหมายรวมกลุ่มเข้ามายังคณะทั้ง1ิระหว่างการเดินเข้าขาบวนกันไปยังตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่พวกมันดักซุ่มอยู่ก่อนทั้ง10ชีวิตย่อมไม่มีความหมายใดๆเหลืออยู่อีกเลย เรากำลังเผชิญกับปัญหาหนักอีกครั้งหนึ่งแล้วละครับในที่สุดจอมพรานก็สารภาพออกมาตามตรงแล้วก็หันไปทางแง่สายเตรียมธนูของแกได้แล้วเราอาจจำเป็นต้องใช้เขาออกคำสั่งเฮาๆแง่สายไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นเพียงแต่แยกเขี้ยวยิ้มและลุกขึ้นไปแก้คันธนูซึ่งมัดติดมากะไม้สำหรับทาคานหาบออกมาเหนียวขึ้นสาย คณะนายจ้างจึงเพิ่งสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองว่าเจ้าคนชายชาวดงเรียมธนูสายฟ้าคันที่พิชิตงูยักษ์มาด้วยโดยอัมพรางตามัดรวมมากับไม้คานหาบอย่างสนิทตัวคันของมันเมื่อปลดสายออกก็มีลักษณะเป็นเพียงไม้ไผ่แกร่งเหยียดตรงยาววาเศษไม่มีอะไรสะดุดตาเลยหน้าประกบกับไม้คันหาบได้อย่างสนิทโดยไม่เกะ ก, กะหรือทาให้น้าหนักเพิ่มขึ้น แต่ยามเมื่อต้องการใช้เพียงแค่ปลดออกมารั้งให้โคง้งคล้องสายเข้ายัางปลายทั้งสองด้านเท่านั้นมันก็เป็นคันธนูขึ้นมาพร้อมที่จะใช้งานได้ในช่วงพริปตะดอกธนูที่มีระเบิดไนโตรมัดติดอยู่อันเตรียมไว้ตั้งแต่ครั้งทาศึกกับเจ้าอาศูนย์ดึกดำบรรใช้ยิงไปเพียงสี่ดอกจากจานวนสิบที่ทากันไวบัดนี้ยังเหลืออีกถึงหดอก เพี่งแต่ชยันถอดสายชนวนออกซะเมื่อสึกงูยักษ์ลุล่วงไปและเอาบรรจุลงหีบในน้าไม้ไว้บัด น, นี้ถูกงัดขึ้นมาติดชนวนอีกครั้งโดยการช่วยกันระวังรพินเชษฐาและชยยันมันกินเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นก็เรียบร้อยผมยังไม่อยากคิดนะว่าเราถึงก็ต้องพึ่งไนโตรแต่เตรียมพร้อมไว้ให้พร้อมเพื่อไม่ประมาทก็ดีเหมือนกันอดีตท่านทูตทหารบก ผู้สุขุมและเยือกเย็นเอ่ยขึ้นภายหลังจากเรียกแงทรายเข้ามาแล้วมอบลูกธนูติดในโรทั้งหกดอกให้ไปประจำตัวไว้ผมก็ไม่อยากคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เหตุการณ์ข้างหน้านะเราทายไม่ถูกเราอาจถูกมันดักโจมตีเป็นศึกใหญ่อย่างคุณชายยันว่าก็ได้แต่หากพวกสังเขียวมีจำนวนอยู่เป็นร้อยความหวังของเราไม่ได้อยู่ที่ต้องการจะใช้ระเบิดฆ่าพวกมันเป็นจานวนมาก เพราะโอกาสนั้นอาจไม่มีแต่ที่หวังไว้ก็คือถ้าสถานการณ์ขับขันเต็มที่จะโดยถูกล้อมหรือบุกเข้าโจมตีจนตั้งตัวไม่ติดเราจะใช้เสียงระเบิดเป็นเครื่องทำลายขวัญขับมันให้แตกหนีไปแบบเดียวกับคราวศึกไอ้แหวงขณานายจ้างเพิ่งเข้าใจในความคิดของเขาและยอมเห็นด้วยโดยไม่มีอะไรโต้แยง้งแง้ า, าย แกรู้จักอำนาจนโต ร, รู้อยู่แก่ใจแล้วนี่เพราะฉะนั้นคงไม่ต้องเตือนอะไรกันมากนะชยันหันไปพูดเน้นหนักกะแง้ทรายพร้อมกับถอนใจฝืนยิม้มนึกไว้เสมอนะว่าระเบิดถึงหกลูกไปอยู่ในตัวแกสายชนวนพร้อมแกเลือเร้เมื่อไหร่พวกเราทั้งสิบคนนี่แหลกเป็นผงเมื่อนั้นวางใจเถอะนายทหาร เงยไซยจะไม่ให้มันระเบิดขึ้นมาก่อนเวลาที่ต้องการอดีตนายทหารกองจนกระเกรี่ยงตอบห้าวต่ำพร้อมกระรอยยิ้มการเดินทางช่วงหลังของมันเริ่มต้นต่อไปอย่างเคร่งเครียดพรานใหญ่คงนำมุ่งไปตามเข็มทิศ ท, ที่เขาเพิ่งจะเอาขึ้นมาประกอบกับแผนที่ของมังมหาราชาเป็นครั้งแรกโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นโดยการย้อนขึ้นมายัางป่าศัก แล้วปรับไปทางเหนือขนานไปกันแนวฝั่งที่หยุดพักกินอาหารกลางวันครึ่งชั่วโมงต่อมาก็พ้นจากบริเวณป่าศักอันเป็นบริเวณปล่งนั้นเข้าสู่ดวงไม้เบญจพันธ์ที่รกทึบอีกครั้งข้ามลำธารสายนั้นไปสู่อีกฝากหนึ่งเสียงนกบางประเภทที่คุ้นคุ้นหูร้องรับกันอยู่เป็นระยะตั้งแต่เริ่มข้ามธารมาระพินผู้นําลิ้วไปตามด่านช้างขนาดใหญ่ อันเป็นหนทางเดินอย่างสะดวกพ่อฝีเท้าลงจนกระทั่งสามคนเร่งขึ้นมาทันสังเกตเห็นสีหน้าเขาครุ่นคิดเหมือนสะดุดใจบางอย่างพยายามเงี่ยหูฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจก่อนที่เชษฐาฤรืชั ย, ยันจะขยับปากถามด้วยความสงสัยเขายกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ยืนนิ่งอยู่กับที่ตนเองย่องตัดแยกทางเข้าไปในป่าริมทางด่านห่างประมาณสามสิบหลาพอมองเห็นกัน แล้วค่อยๆุยืตัวลงนั่งฟังเสียงขนาดนี้เองแง่ทายบุญคำและขยินก็วางหาบลงพากันแยกย้ายเงียบๆไปตามต้นไม้แม้จะไม่รู้แน่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นคณะนายจ้างทั้งสามก็เคลื่อนเข้ายึดโคลนไม้ใหญ่ด้วยสัญชาตญาณอันเคยชินช่วยกันมองไปรอบๆครูใหญ่ต่อมาจึงเห็นคนเหล่านั้นเข้าไปรวมกลุ่มกระจอมพรานซุบซิบ เหมือนจะหาหรืออะไรกันจากนั้นก็เดินกลับเข้าประจำที่รพินสาวเทาว้าสูบสูบเข้ามาที่คณะไหนจ้างเรากำลังตกอยู่ในสายตาของพวกมันแลวครับมันก็ตามดูมาทุกระยะตั้งแต่ข้ามลาธารแต่อยู่ในระยะห่างมันไม่ใช่เสียงนกหรอกครับแต่เป็นสัญญาณส่งข่าวบอกกันเป็นระยะระยะของพวกมันเข้ากระซิบเบาๆ พลางบกมือเป็นสัญญาณให้พวกทำหน้าที่ลูกหาบนำสัมภาระกระชั้นขบวนเข้าใกล้เข้ามาทังงั้นมีหวังได้ปะทะอีกแน่ชยันคำรามตาลุกวาวเพ่งมองไปยังราวป่าซึ่งเห็นแต่ต้นไม้แบบนี้ก็ได้รู้ชัดเลยแล้วว่าพวกมันจะต้องมีอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวเสียงนกระวังไพรที่ดังแว่วแ ว, วอยู่นี่น่ะเหรอเป็นเสียงของพวกมันเชษฐาถาม ตางเงี่ยหูคอยจับฟังเสียงนกที่ดังใกล้ไกลเป็นจังหวะรับกันอยู่ขณะนี้อีกครั้งโดยลมหายใจไม่ทั่วท้องสำหรับคณะนายจ้างไม่มีทางจะจับความผิดแปลกแตกต่างไปได้เลยมันก็คือเสียงนกระวังไพรชัดๆในหูที่เงียบสดับอยู่แล้วก็จ้องมายังพรานใหญ่เห็นใบหน้าเกรียมกร้านนั้นยิ้มแค่นันความจริงมันก็เหมือนเสียงนกมากที่สุด แต่หูป่าแยกออกว่านกร้องจริงหรือว่าเกิดจากการเรียนเสียงที่แรกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ขยินบุญคําและงแง่ทรายก็มีความรู้สึกตรงกันกับผมเมื่อมันเป็นเสียงที่เรียนขึ้นมันก็ต้องมีความหมายอะไรสักอย่างผมแน่ใจว่าเป็นสัญญาณบอกข่าวการเคลื่อนไหวของพวกเราในขณะนี้ดารินกายสั่นน้อยๆขึ้นมาอีกครั้ง มือเท้าเย็นแทบจะระงับอาการตื่นเต้นไว้ไม่ได้ดึงปืนสั้นจากซองข้างเอวขึ้นมาตรวจดูกระสุนเพื่อความแน่ใจอีกครั้งเดี๋ยวนี้หล่อนไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะคอยมองดูกิริยาท่าทีของบุคคลทั้งสามที่อาวุโสกว่าและปฏิบัติเป็นเพียงผู้ตามประการเดียวจะเอาอยัางไงจะเดินต่อไปหรือเตรียมตั้งรับล้เนี่ยเชดาอย่างความเห็น ยังไม่แน่นะว่ามันจะโจมตีเราในระยะหลังนี่หรือเปล่า